เ น, นี่ยแต่มาจะพูดเรื่องโทษของความโกรธความโกรธเนี่ยมีโทษมากระดับแรกก็เผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงแต่สาเหตุของความโกรธเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเราปรุงแต่งเอาเองบางครั้งเราได้ยินได้ฟังคนผู้ดีกับเราแต่พูดตรงไปตรงมาไม่พอใจแล้วเราก็โกรธ หรือก็พูดขัดหูเราเราก็โกรธบางครั้งได้ยินเขาเข้าใจเราผิดว่าเราดินทาเขาเราก็โกรธหรือหรือเขานินทาเราเราก็โกรธแล้วก็มีอีกมากมายสาเหตุของความโกรธบาครั้งขัดผลประโยชน์กันก็โกรธยั่งจริงของรักซึ่งมีสาเหตุมากมายมันมาจะจะยกตัวอย่างเล่าเรื่องความโกรธให้ฟัง ความกวดเฉยๆเนี่ยจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นไปถ้ากวดเฉยๆเนี่ยอย่างนักเรียนหรือเด็กเล็กทะเลาะกันในภับเดียวก็ลืมแล้วแต่ผู้ใหญ่จะฝังใจจำไม่ลืมผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าคอยผ่าวันนี้ให้ได้สิปีล้างแค้นก็ยังไม่สายหรือนอนฟืนชิมดีขมซึงเรื่องนี้เกิดในยุค ชุนชิวของประเทศจีนสมัยนั้นประเทศจีนยังเป็นแว่นแคว้งอยู่มียนเขตมหาอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ละแกล้งก็จะมีเจ้าเมืองหรือเรียกว่า อ, องค์มีอยู่สองเมืองที่เป็นปรักต่ อ, อ ก, กันคือเมืองแ ย, ย่แล้วก็เมืองอูซึ่งอยู่ตตอนใต้ของแม่น้ําำยางตีเกียง2เมืองนี้ก็ลบกันอยู่เสมอตั้งแต่บรรพบุรุษเลื่อยมาผัดกันฆ่า ทำให้ตายกันมากมายเจ้าเมืองเมืองเย่ชื่อว่าโกเจียนเจ้าเมืองเมืองอูชื่อว่าฟูช่ายก็ไทำสงครามต่อ ก, กันแต่ในครั้งนี้โกเจียนแพ้ก็ถูกอองเมืองอูคือฟูช่าเนี่ยจับเป็นตัวประกันโดยไม่ฆ่าแต่ก็ยอมสวายพักด้วยความไม่เต็มใจโดยการติดสินบน แล้วก็หวังว่ามีโอกาสต้องล้างแค้นให้ได้ซึ่ง อ, องผูฟูช่ายก็ให้โกเจี้ยนเนี่ยมาเป็นคนเลี้ยงม้าแล้วก็เฝ้าสุสานคือใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเวลาฟูช่ายจะไปที่ไหนก็ อ, องโกเจี้ยนจะต้องไปคนจูงม้าหรือไม่ก็ขี่ม้าบริการซึ่งโกเจี้ยนก็ ทำตัวเป็นเป็นบ่าวที่ดีด้วยความซื่อสัตย์แต่ใจไม่ได้ซื่อสัตย์คือวางแผนอยู่ตลอดก็ต้องล้างแค้นให้ได้แต่ก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์เป็นตัวเบิกทางซึ่งทนต่อการถูกเหยียดหยามความยากลำบากต่างๆเพราะคนที่เคยเป็น อ, องคเนี่ยต้องไปนคนรับใช้เนี่ยเก็บฟังแค้นไม่ได้ใจ ซึ่งก็จะติดตินบนทางเจ้าหน้าที่ของเมืองอู่ไว้ซึ่งจะพูดถึงความดีของโกเจี้ยนตลอดให้ อ, องคูชัยได้ยินเรื่อยๆเพื่อไว้เนื้อเชื่อใจและวมีอยู่วันหนึ่ง อ, องคูชัยก็ป่วยซึ่งโกเจี้ยนก็ได้โอกาสก็เข้าไปถึงห้องมันทมแล้วก็บอกมีวิธีรักษาแต่ขอชิมอุจระ และฉีอุจจาระแล้วก็บอกว่าอุจราระของฟูช่เนี่ยมีรสขมอีกไม่นานก็หายได้ขอให้กินสุราและอาหารเพื่อบรรุงให้มากเดี๋ยวร่างกายก็จะหายเองเติมธาตรุร้อนให้มากซึ่งต่อมาก็หายแล้วฟูช่ก็รู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจโกรเจียนมากคิดว่าสวะสวายพักด้วยความจริงใจหลังจากอยู่มาสามปีก็ปล่อยกับ เมือของตัวเองคือเมืองแย่พอกลับถึงเมืองตัวเอง อ, องโกเจียนก็นึกถึงความแค้นที่ทางออกฟูชายทาไว้ก็ไม่ยอมใช้ชีวิตแบบแบบเจ้าเมืองเหมือนเดิมทุกวันก็จะใช้ชีวิต ร, ร่วมกับชาวนาชาวไร่ปูกระท่อมแล้วก็นอนนอนก็ใช้กองฟืนมาแล้วก็ใช้เสือ่อนอนคือไม่ให้ตัวเองสบสะดวกสบายเพื่อลำลือถึงความแค้น ที่ตัวเองตกต่ำแล้วก็หาดีขมมาเรียทุกครั้งก่อนที่จะกินอาหารคือทำนี้ทุกวันเพื่อตอกย้ำถึงความแค้นแล้วก็เริ่มสร้งสูมกำลังผู้คนเริ่มพัฒนาการเกษตรแล้วก็เริ่มวางแผนที่จะพิชิตเมืองอู่ให้ได้ซึ่งลงใช้เวลาทั้งสิบปีรวมเวลาที่อยู่ในเมืองอู่ด้วยสิบสามปีเพื่อรังแคสําเร็จ โดยใช้โดยสวาิพักก็ส่งแบบข้าวขอเงินทองไปให้ทางเมืองอู่อยู่เป็นประจาจนตายใจแล้วก็ส่งส่งส่งตหลังก็ส่งไซซีซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินไซซีสาวงามในประวัติศาสตรจีนส่งไปให้องผู้ชายได้ลุ่มหลงบัวเมาในกามคุณแล้วก็ส่งไม้ท่อนใหญ่ไปให้สร้างพราสาทสร้างวัง ถ้าใหญ่โตเพื่อไม่ให้เพื่อโมเมาอะไรให้แบบให้ทางเมืองอูเนี่ยสูญเสียเงินแล้วก็สูญเสียแรงงานเพื่อสรเพื่อสิทธ์เพื่อก่อสร้างขุดคูคอ ง, งต่างๆเพื่อบบเพ็อความสุขแต่ทางฝ่ายเมืองเย่ยเนี่ยก็ท่องสุมผู้คนฝึกทหารวางแผนทุกอย่างเพื่อต้องล้างแค้นให้ได้ถึงตลอดเวลาเนี่ยโกเจียมีแต่ไฟแค้น ชีวิต ม, มีความสุขเลยแต่ตอนหลังก็สามารถสําเร็จสามารถลบอชนะเมืองอู่ได้แล้วก็บีบบังคับจนข อ, องฟูชัยเนี่ยฆ่าตัวตายตัวเองกับสามารถยึดเมืองอู่ไปเป็นเมืองของตนด้วยยิ่งใหญ่กว่าเดิมฟันหลีซึ่งเป็นกุนซือของโกเจียนเนี่ยเริ่มเห็นลนักษณะของเจ้านายตัวเองแล้วว่าเนี่ยคนคนนี้น่ร่วมทุกได้แต่ร่วมสุขไม่ได้พอยามเสร็จศึกเนี่ย เสร็จเสร็จนาก็จะฆ่าโหดถึกเสร็จเสร็จสึกก็ฆ่าขุนพลนกสิ้นเกาทันซ่อนซึ่งมีลักษณะเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุร่วมทุกข์ได้ร่วมสุขไม่ได้ก็เลยเตือนเพื่อนๆ น, นที่ร่วมร่วมกันมาเนี่ยให้ลาออกซะหรือบางแผนหนีแต่เพื่อนไม่เชื่อก็เดินโกเจียนบีไปฆ่าตัวตายเพราะว่าคนที่หลงในอำนาจ พอมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็คิดกำจัดทุกคนแหะเพื่อให้ตัวเองคอมอน้าแต่เป็นผู้เดียวเป็เสร็จซึ่งฟ้าหลีฉลาดก็ได้หนีไปก่อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเอามาเขียนบรรยายกำลังภายในแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายเลอกใส่ซีหรือโกเจียนเนี่ยเป็นตัวอย่างความแค้นความพยาบาทความมาคาดซึ่งตรงข้ามกับฟูช่ายซึ่งซึ่งไม่ได้แค้นแล้วก็ แต่ก็ลุ่มหลงมัวเมาประมาทจนจนแบบขนาดคนสนิทหรือมาเนี่ยเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังบอกว่าโกเจียนเนี่ยเป็นอันตรายต้องฆ่าทิ้งปล่อยไว้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่เชื่อเชื่อความคิดตัวเองว่าเนี่ยซื่อสัตย์เป็นพัตธรรมมิตรแต่ผลตัวท้ายก็ต้องพินาศเพไม่เชื่อขุนศรอตัวเองเรื่องนี้ก็ถือทาหอนพราะคนเราเนี่ย ไม่กลัวเป็นท่าของความโกรธความพิจารณาคือชีวิตจะไม่มีความสุขเลยชีวิตคนเราเนี่ยสั้นแต่เราใช้ชีวิตแบบปุงแต่งกับเรื่องความโกรธชีวิตก็ไม่มีความสุขแล้วยิ่งมาตอกย้ําต้องกินดีขมเพื่อไม่ให้ลืมเลือนเมื่อถูกยามหยันอับะยะศขับไปเฉลยคือขนาดโกเจีมีความสุขได้นะยอมยาปากถึงเมืองแล้ว ถ้าลืมเลือนความแค้นแต่เขาก็ไม่ทำเพราะว่าความโกรธมีอสัทธะมีสิ่งที่เพลิดเพลินอยู่เหมือนกันบางคนเต็มใจที่จะโกรธหรือเมาในความโกรธไม่ไมอยากใครมายุ่งกับความโกรธ ต, ตัวเองบางครั้งคือมันมีอสัทธะอสัทธะอยู่ไง ม, มีความพอใจอยู่อาจจะไม่สุขของเขาก็ได้อันนี้เรื่องที่เกิดในเมืองจีน แต่ไมาอเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกิดที่อินเดียซึ่งเรื่องนี้มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นเศรษฐีที่ใจบุญมากก็ได้ปลูกสร้างศาลาไว้ให้คนพักคือทำ บ, บุญได้มากเวลาคนมาพักเนี่ยเศรษฐีใจบุญเนี่ยก็จะมาตรวจตาดูมีวันหนึ่งมาเจอยาจกยาจกคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีคือ ทำเท้าเลอะเท่อหมดแล้วก็เหยียบสาราที่สะอาดจนเลอะหมดแล้วก็เข้านอนเศรษฐีมาเห็นเข้าเศรษฐีก็กบดบ่นบอกคนเข็นใจช่างไม่รู้ตัวเลยนอนเข้าไปได้ยังไงซึ่งซึ่งคนเข็นใจเนี่ยก็นอนอยู่แต่ว่ายัางนอนอยังนอนหลับไม่สนิทได้ยินเสียงเศรษฐีพูดอยู่บ่นอยู่ก็เลยเกิดความอาฆาตไว้ พอรุ่ขึ้นก็ไปแอบเผาเผานาของเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่แจ้งความนะเห็นแเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็เผาเจ็ดครั้งอ่ะเผาเจ็ดครั้งยาจกคนนี้ก็รู้สึกว่าเศรษฐีไม่เอาเรื่องอีกไม่เห็นเศรษฐีโกรธอะไรเลยก็มาตัดขาวัวอีกเจ็ดครั้งเศรษฐีก็ไม่เอาเรื่องเหมือนเดิมไม่แจ้งความซึ่งยาจกก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการทรถามเศรษฐีแค้น โกรก็เลยไปตัดขาไมา้อีกเจ็ดครั้งเศรษฐีก็แม่เอาเรื่องอีกยาโจกก็ไปสืบดูว่าเศรษฐีรักอะไรมากที่สุดซึ่งเศรษฐีคนนี้เป็นคนธรรมะธรรมโมจะชอบพักที่สาราที่ตัวเองกลับไหวบูชา ค, คือว่ามีสร้างโบสถ์สริมตัวไว้สาหรับไหวพ้พระโบสถ์หรือวิหารเนี่ยพอยาจกรู้เข้า ก็มาเผาเศรษฐีก็ตกใจเหมือนกันเพราะเพราะมันนึกไปถึงว่า ม, มีคนใจบาปกล้ามาเผาโบสถ์ก็ไม่ว่าอะไรก็สร้างใหม่ซึ่งยาติจกก็มีความพยายามสูงมากเผาถึงเจ็ดครั้งพอมาครั้งที่แปดเนี่ยแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมแพ้นะพออีฝ่ายดึงเผาอีกฝ่ายนึงสร้างก็สร้างมาเจ็ดครั้งเหมือนกันบาครั้งที่แปดเนี่ยเศรษฐีก็ให้ญาติโยมมาร่วมกันสร้าง เชื้ชิญให้มาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็บอกญาติโยมให้อดุโมทนาบุญให้กับคนที่เผาด้วยเพราะถือว่าเป็นสาเหตุให้ให้ท่านน่ได้สร้างอธิสงใหญ่ได้สร้างบุญมาหลายครั้งแล้วซึ่งฝ่ายยาจกก็มาร่วมงานด้วยคือยาจกคิดว่าเศรษฐีไม่แจ้งความจริงแต่อาจจะปรับปัมหรือดินทาตนได้ก็คิดว่าจะฆ่าเศรษฐีแล้ววันนี้คือเตรียมเตรียมอาวุธไปด้วย คือตั้งใจมากอยฆ่าเศรษฐีวันนี้ให้ได้จะได้ปิดฉากก็ทีแต่พอมาในงานก็มีแต่คนอนุโมทนาบุญให้กับคนเผาซึ่งเศรษฐีก็นุโมทนาอนุโมท น, นาบุญด้วยอย่าจบคนที่เผาโบสเนี่ยได้ยินเข้าก็ตกใจเห็นความใจกว้างของเศรษฐีที่ไม่เอาเรื่องตนตนทําทุกสิส่องทุกอย่างเศรษฐีก็ไม่เคยโกรธแถมมาชื่นชมตนอีก ก็เลยเข้าไปกราบขอเข้ามาขออภยัยแล้วก็บอกความจริงว่าตัวเองเป็นคนเผาะนาะตัดขาวัวตัดขามา้าแล้วก็เป็นคนเผาโบสมาเจ็ดครั้งท้าเศรษธีจะให้อภัยจริงๆเหอเรอเศรษฐีก็บอกให้แต่เศรษธีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเราทำอะไรท่านโกรธมากไปขนาดนี้แยจกก็เล่าให้ฟังว่าท่านว่าเราในวันที่เราทาสาราเพื่อน โอ้เศรษฐีก็ได้ขึ้นมาได้จริงสิแล้เราขอโทษซึ่งบางครั้งเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดก็ตายเหมือนกันตายได้นะเพราะคนเราคิดไม่เหมือนกันอย่างอย่างขอทาน ย, ยาจกเนี่ยมีนิสัยชั่วร้ายอยู่แล้วแทนที่จะเอาคําตําหนิมา ป, ปรักผุกตัวเองกลับเพ่งโทษไปที่ที่คนอื่นคือเป็นคนที่ประเภทที่ว่าเอาดีใส่ตัวชั่วโยนให้คนอื่นซึ่งไม่คิด ป, ปรักผุงตัวเอง แต่โยนควาผิดให้คนอื่นซึ่งคนประเภทนี้มีมากแล้วก็มีทุกวงการมีทุกที่โดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันยังมีการป้องกันตัวเองเลยจะโยนความผิดให้คนอื่นไว้ก่อนแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยใครมาตำหนิอิเตียเราเราก็ยอมรับผมผิดไปแล้วครับผมจะไม่ทําอีกสิ่งนี้ผมจะรับกับลูกผู้ชายซึ่งก็หายากเหมือนกันเพราะคนไม่เลือดธรรมะเนี่ยมันจะมีอาตาัอาตราอัตราชิ้นหนึ่งคือ อยากให้เราเนี่ยมีความสุขที่ดีไม่รู้สึกอบับยเองผิดไยคือโทษของคนอื่นเนี่ยเรามองเห็นเป็นภูเขาโทษของเราเนี่ยเรามองเห็นเท่าเส้นขนตดตึงคนอื่นเหม็นเหลือทนตดถึของเราเหม็นก็ไม่เป็นไรซึ่งโดยมากคนจะคิดแบบนี้คือมองข้างนอกตัวเก้าสิบเปอร์เซนาจะมองตัวเะเองแค่ส0เ็นเท่านั้นเองโดยธรรมชาตินะ จะมองว่าคนนี้ไหม่ดีคนนี้ทำไมไปอย่างงู้นคนที่ทำไมไปอย่างนี้แต่เรานะ่ยมองไม่ดีแต่มองแค่สิบเอร์เซนตเก้าสิบปอร์เซ็นตามองไม่ดีคนอื่นแต่ถ้าเรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะมองเห็นความผิดตัวเองเก้าสิเปอร์เซ็นมองเห็นคามผิดคนอื่นสิบเอร์เซ็นก็พอแล้วเพราะจิตมันส่งออกมันจะไปมองว่าคนนี้น่าจะปรับปรุงตัวให้ดีได้คนนี้น่าจะแก้ไขได้แต่ที่จริงแก้ไม่ได้หรอกตัวใครตัวมัน เราแก้ได้เธอแก้เราเท่านั้นอย่างนภาเคยลองมาหมดแล้วลองใช้ชีวิตแบบเมื่อก่อนแล้วก็เพ่งโทษคนอื่นแล้วอยากคนอื่นเป็นอย่างงูง้นไปอย่างนี้ตอนหลังนมาปล่อยแล้วเพราะตัวเราเองเราแก้ไขตัวเองไม่ได้เลยเราก็าเรียนรู้ตัวเราก่อนบาที่มาเป็นกรรมวาจาบวชพระมาเนี่ยบางทีก็ อ, อยากให้หน้าให้หน้าหรือพระใหม่เป็นอย่างงูง้นเป็นอย่างนี้ดังใจเรานะเราทุกข์เลย้องทีเราบอกแล้วเขาไปทําตาม เมื่อจะเป็นเรื่องบาทขาบาทสลกบาทเนี่ยเขาทำตามใจเขาเองเลยบังคับเขาก็ไปได้หรือการใช้ชีวิตเนี่ยเราไปบอกเขาเดี๋ยวเขาโกรธเราอีกเป็นปฏิคาตต่อกันถ้าเขาถามเราก็บอกไม่ถามเราก็ต้องวางเฉยแต่เราไปยุ่ ง, ขงเขาทุกเรื่องเนี่ยเขาเกียดเราได้ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ต้องทุกด้วยบางครั้งเราก็บอกเท่าที่ควรบอกบางคนไม่ควรบอกเราก็ต้องปล่อยวางเฉยไป เราไม่สามารถจัดระเบียบคนอื่นได้แต่เราสามารถแก้ไาขาใจเราได้แม้เราทุกข์คือคนอื่นเราแก้เขาไม่ได้หมดอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในกฎของไตรลักษเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเร า, ไ ม, า, ไ, มาไม่สามารถไมม่สาารถบังคับใจให้เราเป็นใบดังที่เราคิดได้เลยบางครั้งดังนั้นเราก็ต้องไม่บังคับใครอย่างว่าป่าสุกโตนเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ดีท่านไม่บังคับใครให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเอง เรียนรู้ตัวเองแก้ไขตัวเองหลวงพ่อจำเนียนเมื่อก่อนอาบาเคยได้ยินท่านเทศที่ปั้นหมดฤๅษีท่านก็บอกท่านเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยท่านตอนหลังท่านไม่มาคับใครอีกเลยพระในวัดแม่ชีในวัดหรือใครโยมในวัดเนี่ยท่านปล่อยบทท่านรู้แลว้วท่านบังคับไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยเดี๋ยวต้องปิดอย่าบททั้งวันร่างกายตั้งอยู่ใต้กดใตรลักบังคับบัญชามไม่ได้แม้ตัวเราเองบังคับบัญชาไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงไม่บังคับคนอื่น ไปบังคับปุ๊บก็ทุกันทีพอคิดได้ไงก็ชีวิตก็เบาลงเราก็มองในเรื่องตัวเองบางทีอาจจะมองใ น, นคนอื่นมากแต่เราก็มองด้วยความหวังดีแต่ไม่ได้มองแบบยึดมั่นถือมั่นบางครั้งเราบอกเขาคํานึงเขาเชื่อไม่เชื่อก็ดีไปไม่เชื่อเราก็ปล่อยเราก็ไม่เอาเอาไปทุระคือเห็นอะไรเห็นเ้าทําผิดเราก็เตือนแต่บางคนเกลียดเราเป็นศัตรูก็มี ที่บางคนเปตัวตนเยอะอย่าพะรู้เกียรติอาตมานะบางทีเกเรเนี่ยแล้วอาตมาไม่นิมนต์เขาเวลามีกิจนิมนต์เนี่ยคือเขาไม่ทาวัดไม่บิณฑบาตแล้วก็ดูดูหนังฟังเพลงทั้งวันเที่ยวทั้งวันเห็นสภาพเกรเรแล้วก็เห็นว่าไม่ควรไม่ควรนิมนต์ไม่ควรให้โลกกิจกรรมเขาเกียรติอาตมา ก, ก็มีอาฆาตพยาบาท บางที่เจอเจอหน้าไม่เคยยกมือไหว้ก็มีมีหลายคนนะที่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องวากรุเบกขาเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยคนเราสามารถเนรคุณกันได้หมดต่อยดีขนาดไหนโลกธรรมเนี่ยมันก็อยู่เป็นแบบนี้อ่ะบางทีขาดผลประโยชน์กันเขากเกียดพอได้ผลประโยชน์เขาก็ชอบใจเราก็เป็นคนดีแต่แต่แล้วทาเขาเสียผลประโยชน์เราก็คือคนชั่ว ถูกเกลียดชังถูกประนามก็มีถูกนินทารับหลังก็เยอะแต่เราทำให้คนรักบ่นไม่ได้หรอกเกินความสามารถคนก็เกลียดมั Indo ่งรักมัางบนเปกันไปในโลกธรรมเนี่ยมีลาบเสื Java ่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริอนินทาทึงทุกชีวิตต้องอยู่ใต้กฎนี้เราต้องวางใจให้เป็น อย่งความโกรธความอาฆาตพยาบาทเนี่ยอันดับแรกมาจากการที่เราขาดสติแล้วก็คิดแทนคนอื่นด้วยแต่ถ้าเรามีสติอรุภาพของความโกรธก็ไม่แรงเพราะตัวนี้นเป็นตัวที่ตัดตัดการปรุงแต่งไม่ให้เข้าไปลึกพอเห็นโทษมันแล้วเราก็สามารถสำรวจตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้ทั้งคนที่ติดคุกติดตารางค่าตัวตายหรืออื่นอีกมากมายก็เพราะการขาดสตินั่นเอง การที่ขาดสติไม่เรียนธรรมะไม่มีผู้รู้ชี้แนะอันนี้สําคัญมากเลยผู้รู้คือต้องคบกัญญาภิธิีกัญยาภิธิีก็ต้องพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาธรรม่างท่านเนี่ยเราก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาปุ๊บเราก็ฟังธรรมฟังธารเกิดศรัทธานเนี่ยเราก็เริ่มเดินตามทางที่ท่านสอนไว้คือชี้เราเห็นชี้เห็นความจริง ขึ้นคนเราจะจิตจะวิปลาสถ้าไม่เรียนธรรมะนะจะเห็นโลกไปบิดเบือนเห็นโลกไม่จริงคือเห็นของไม่เที่ยงไม่ของเที่ยงแล้วก็เห็นความทุกข์เป็นความสุขแล้วก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นของไม่งามว่างามแต่ถ้าเราเรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นของไม่เที่ยงคือไม่เที่ยงทุกข์ก็คือทุกข์ของไม่งามก็คือไม่งาม คือความไม่ใช่ตัวตนก็คือคว่ามไม่ใช่ตัวตนทําให้เราเห็นความจริงเห็นความจริงเพื่อยอมรับนะไม่ได้เห็นเป็นผู้พิเศษพ้ า, ายอมรับได้เวลาทุกเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ตีบโบยตีพายไม่ทําเป็นเรื่องใหญ่เรายอมรับได้ความตายความสูญเสียความพัดภาคหรือแม้แต่ความดีใจความสุขเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงคนเราจะชีวิตคนเราเนี่ยจะ สุขมากทุกข์มากบนเปนกันไปอ่ะแต่คนเราไม่ค่อยจําเรื่องความสุขอ่ะไปจําเรื่องความทุกข์เพราะจิตคนเราเนี่ยจะมีโดยธรรมชาติจะมองในแง่ลบโดยธรรมชาติเลนะคือใครมาตําหนิติเตียวเราเนี่ยจะจำไม่ลืมเลยสาระโคนคนเดียวกันเนี่ยโคห น, นะไอ้าทาดีกับเราไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยเราจะไม่ลืมเราจะไม่จํานะเราจะลืมแต่ถ้าใครถ้าเกิดเข้ามาทําให้ดีกับเราครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็ลืมเราไม่ลืมแล้วไอ้จาจําติดติดสมองไว้เลยซึ่ง ก็ทําให้ทุกข์อ่ะโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราเรียนธรรมะมาเจอสติเราก็จะรู้เราก็จะเรูเร้สึกบุญคุณเขาเขาความดีกับเราเนี่ยพเพราะว่าผมมีอบางครั้งดีต่อกันร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยอาจจะมาเลิกกันเพราะขัดใจครั้งเดียวก็ได้ขัดใจครั้งสองครั้งก็เลิกแล้วเพราะเราก็จําไม่ลืมด้วยเรื่องที่ขัดใจแต่เรื่องความดีต่อกันเนี่ยลืมบางครั้งลืมพ่อแม่เหมือนกัน พ่อแม่ดีกับลูกเป็นพันครันค้างหมื่นครั้งแสนครั้งเนี่ยลูกบางทีลืมเพราะว่าชินชาต่อความดีของพ่อแม่แต่ถ้าวันไหนพ่อแม่ด่าลูกขัดใจลูกไม่ตามใจลูกขึ้นมาเนี่ยลูกจะจําจเหตุการณ์นั้นไม่ค่อยลืมบางครั้งโกรธแม่พ่อแม่ไปหลายวันเพราะเรื่องนั้นก็ได้เพื่อนก็เหมือนกันบางทีดีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดอาจจะมาขัดใจกันหรือผลประโยชน์เล็กก็ น, น้อย หรืออะไรบางอย่างก็อาจจะทให้เสียมิตรภาพได้เราก็ต้องมาเรียนธรรมะมาศึกษาและปฏิบททัติธรรมเพื่อให้มองโลกตาความเป็นจริงไม่มองแบบปิดเบือนเพราะถ้าเรามองความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกธรรมนีไ้ได้โดยทีย่เองไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเหยียบย่าหัวใจเราตลอด สามารถอิสระจังหันได้ถึงไม่อิสระก็น้อยลงเบาลงซึ่งอย่างมาเห็นว่าผู้มาสมควรกับเวลาสุดท้ายไอ้องก่อนยมฟังก่อนหนึ่งก่อนก่อนเสียงปุกสุริโยไทไขยแสงกายแจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจื้อแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภา หมู่ปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใ ย, ยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นมิจฉิสิญแสแวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งบนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี่น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไข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 เชิญท่านสายตื่นขึ้นรับสดับธรรมขอความสุขความเจริญธรรมจงมีกัญาติโยมทุกท่านสาธุ